ุดยอดในทางภายในก็คือได้บรรลุอมตะธรรมเบื้องสูงแม่ปรารถนาอย่างนี้ลูกพอตัดใจเลยจำคำพูดแม่มาเป็นเสียงแว่วกังวาลอยู่ในวัวใจให้ได้ยินอยู่เป็นนิดจนบรรลุเป็นพระล้านไปต่อไปองค์ที่แปดสิบสามองค์ที่แปดสิบสามชื่อว่าสีหะ ท่านสีหานั้นเป็นเชื้อเจ้ามัลละในนครปาวาเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงปรง่งทรงเสด็จผ่านอาแวะศูนย์ข้างในจุนทะนั่นแหละครับท่านสีหะาได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพียงแค่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็เลื่อมใส เราอ่านแล้ว่เห็นแล้วเลื่อมใสเนี่ยต้องพยายามวาดภาพให้ดีนะฮะว่าเห็นแล้วเลื่อมใสเนี่ยต้องสมมุติภาพสมมติภาพเอาพระที่เราบอกนึกเข็นเนี่ยมาใส่นะก็เราเห็นเนี่ยนะหรือนึกภาพาเออถ้าเราได้ทันใส่บางคนได้ทันใส่บาทพระภูมิพระโลภิกูเนี่ยนะ ได้เห็นแล้วจะรู้สึกยังไงนะแล้วก็ไม่เทียบอ่แต่ว่ากับพุทธเจ้านะเป็นพิเศษมากแค่เดินเห็นเนี่ยทำให้คนมาบวชเย้มากแล้วตรงกับที่หลวงพ่อชาว่านะว่าสอนพระฝรั่งลูกศิษย์ที่ยวให้ออกไปบินธบาตเพื่อไปบินธบาตเอาคนนะเอาความเลื่อมใสของคนเอาความเลื่อมใสของคน แล้วก็เอาชาวฝรั่งด้วยกันมาบวชโดเยเห็นพฤติกรรมเห็นอาการกิยาผมมีความเข้าใจว่าบุคลิกพระในสายตาฝรั่งเนี่ยยิ่งยิ่งกระทบรุนแรงมากกว่าสายตาไทยนะเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องบอกฝรั่งที่มีอุปนิสัยนะเพราะว่าบุคลิกของฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน ในเส้นทางของนวากวาตครับสารูปอ่ะคนไทยเราอยู่ในเส้นทางนี้นะฮะดังนัเวลาไปเห็นพระมีบุคลิกตามนวากวาตเนี่ยคงจะผิดแปลกไปจากบุคลิกปกติของพวกเขาเป็นอันมาก <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกมันแคบลงฝรั่งบางคนเนี่ยครับบุคลิกเป็นไทยเปียบนี่ยไทยบางคนก็บุคลิกเป็นฝรั่งเปียบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมค ฝรั่งที่เกิดในเมืองไทยไงดูเลยที่มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรจริงๆพูดบุคลิกเป็นเป็นไทยนะแต่ชื่อเป็นฝรั่งหน้าเป็นฝรั่งมาเป็นลงดาราอะไรก็เหมือนกันเป็นไทยแต่ว่าไทยที่ไปเกิดในเมืองฝรั่งเนี่ยครับพอกลับมาเนี่ยบุคลิกเป็นฝรั่งไปเลยเป็นมากเป็นน้อยต่างๆกันแล้วก็เป็นคนไทยพูดพูด ่าไทยไม่ชัดเป็นฝรั่งพูดฝรั่งไม่ชัดกับธาละปัสกันอย่างนี้ผมถึงว่าเชื่อว่าอีกหน่อยเนียโลกแคบลงแล้วก็าศาสนาเนี่ยจะเป็นของสากลสากลทุกาศาสนามันจะกระบาดไปทางสื่อเนี่ยคือมันมาหาเราเราไปหามันโลกมันแคบขึ้นแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยมันเหมือนอย่างเราพูดในนี้ว่า ไอ <ś Kan ate> สังคมเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยสังคมบุคลิกของสังคมเนี่ยมีเป็นส่วนๆหน่วยๆนะว่าใครในตำบลไหนเนี่ยใจบุญอะไรรสนิยมค่านิยมแบบเดียวกันอีกสังคมก็เป็นเป็นกันเป็นชุดๆที่ชุดของสังคมของหมู่บ้านของตำบลเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับทีนี้เราจะหาคนธรรมะเนี่ยอย่าไปหาว่าในคลองเดียวกันนันจะมีนะจ้ะ จะเลื่อมใสจะยังไงเหมือนกับที่เราเลื่อมใสสังคมมันก้าวกระโดดนะฮะมันก้าวกระโดดเนี่ยเดี๋ยวนี้ในต่างกระเในเมืองไทยเราเพียง น, นี้อีน้อยก็จะก้าวกระโดดเป็นหย่อมๆไปทั่วโลกอีน้อยผมอาจจะจะคุยอภิธรรมสักเรื่องเนี่ยผมอาจจะนึกถึงฝลังหมายถึงก็กดอินเทอร์เน็ตคุยกัน คุยกั น, นเรื่องอทาเรื่องวิปัสนาอะไรเงี้ยนะหรือนะร อ, อาจจะถา ม, มไปถามที่โกรงเอ้ยเรื่องนี้อธิบายว่าไงนี่ก็อธิบายก็ได้ไอ้ปลังอาจจะถามอะไรบางอย่างมาทางนี้ก็ได้ถามใ้เรื่องของเขาเมื่อก่อนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเราไปแต่แล้วอ <c oughs> <c oughs> ผมอธิบายต่อไปเอท่านสีหักเมื่อไปบวชแล้ว ท่านประสบกับนิวรตัวหนึ่งเป็นกิเลสหลักบอกว่าพอไปปฏิบัติกรรมฐ า, านอยู่ในป่าเนี่ยจิตของท่านฟุ้งซ่านที่เป็นตัวหลักนะแล้วนอกนั้นก็ยังเจ็ดครานเคือ่อยความฟุ้งซ่านที่เราคุมมันไม่อยู่เนี่ยนะะมันจะมีผลไอ้นิวรเนี่ยบางทีมีผลสืบต่อกันถ้าสมมุติว่า <c oughs> เราฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็เราไม่สามารถจะคุมมันไว้ในอำนาจได้จนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะทำกรรมฐานได้หนักเข้าเนี่ยเราเกขี้เกียจเกี้เกียจคือไม่อยากทำทำแล้วรู้สึกมันฟุ้งซ่านตัวเองก็ปล่อยกรรมฐานปล่อยปล่อยแบบมิบายก็มีแบบเป็นอุบายก็มี แต่กรณีอย่างที่ทไม่เป็นเนี่ยก็ลปล่อยแบบไม่เป็นอุบายคือก็ขี้เกียจพอไม่ทก็ขานานก็ไม่ทำมากขึ้นมากขึ้นความขี้เกียจมันก็ลามปามใหญ่โตนี่เป็ น, ปนกิเลสเฉพาะหน้านะครับอย่าว่ากันพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงกำหนดดูแลขึ้นพระทั้งหลายเนี่ยอยู่ในหัวใจแล้วก็คอยดูอยู่เสมอแล้ ว, ว่าเมื่อไหร่ใครจะเป็นยังไง คือสอนด้วยลิศดูแลควบคุมด้วยระบบลิศยิ่งกว่าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์รู้เลยว่าใครเวลาไหนจะบรรลุได้และกำลังเป็นอะไรอยู่หรือไม่มีปัญหาอะไรอยู่หรือไม่ท่านก็เตรียมการแก้ไขอย่างตอนนี้ท่านก็รู้ว่าปลาองนี้ถูกขี้เล่ครอบงำอย่างนี้ท่านจึงเสด็จไป เสด็จไปแล้วก็ประทับยืนอยู่วนอากาศแล้พี่ในหานหน่อยแล้วก็ประทานพระโอวาท <c oughs> คืออันนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลอันหนึ่งว่าเวลาโปรดคนบางคนในบางโอกาสที่มีกิเลสบางอย่างบางประการเคร่งงำเนี่ยถ้าเราจะให้อนุสาสนีแล้วก็ เจอด้วย ล, ลักษณะทางฤทธิ์พิเศษเนี่ยจะทําให้เกิดความยำเกรงมากเรากําลังเป็นอย่างไรอยู่ก็มาแล้วมาลักษณะประทับยืนอยู่แล้วแสดงธรรมเนี่ยเราจะเกิดความตื่นตาตื่นใจและยำเกรงเคารพธรรมเคารพคนแล้วโอกาสที่จะสมาทานในธรรมนั้นมีมากกว่าในลักษณะที่เรียกว่าโทรศัพท์มานะฮะแล้วก็บอกรออีกสักสามวันกว่าจะมาถึงก็ ที่พุ่นจับผัวจับผูมาบอกรดติดมันก็ไม่พิเศษไม่มีผลในทางเร่งเรามากพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่อยๆครั้งเนี่ยท่านจึงใช้ฤทธิ์เป็นพาหะของการให้อนุสาสนีปัดก็ทรงให้โอวาสคำแนะนำการให้โอวาดคำแนะนำเนี่ยอา่า จะมีเป็นละสองลักษณะนี่นะนี่ผมพูดหนึ่งทั่ ว, วไปลักษณะหนึ่งคือชี้ช่องแห่งกุศลอีกลักษณะหนึ่งคือปลามอากุศลที่เกิดนะหรือทั้งสองอย่างประกอบกันทีนี้เรามาดูโอวาทที่พระผู้มีภาคทรงให้แก่สีหาภิกษุนี้ว่าอย่างไร เมื่อประทับยืนอยู่บนกลางอาก า, า, กาศตลาดว่าดูก่อนสีหะท่านจงอย่าประมาทอย่าเกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวันจงอบรมกุศลธรรมให้เกิดขึ้นจงละฉันทราคะในอัตภาพเสียโดยเร็วพลันเถิดคือบทเหล่านี้มีความหมายทางลึกเยอะ นะฮะแต่ว่าอย่างกรณีจงร่าชันตลาก่านอัตภาพเนี่ยคือคนที่เหยาะแยาะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอันหนึ่งคือประเภทรักตัวกลัวเหนื่อยนะฮะรักตัวขี้เกียจก็รักตัวเช่นบอกว่าเออเดี๋ยวนอนก่อนเมื่อยเดี๋ยวหิว อ, อิ่มไปนอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเปนประเภทนี้ทนถ้าคนตัดเชื่อใยความ รักตัวเองได้แล้วเนี่ยไอเหตุผลในทางที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นไปไอตรงนี้ไม่ได้ไปแปล ว, ว่าคนไม่รักตัวเองจัด อ, อไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ประเภทที่อจะใช้คำสัมงานมันก็ไม่มันก็กละเรื่องกันแต่น้องนั้นนะอ่ามันทําให้อาการตัดสินใจทําอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ย มันไม่สมเหตุสมผลแต่ว่าถ้าเราไม่มีอันนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมาลักษณะสมเหตุสมผลแต่ไม่ได้ปแปลว่าจะต้องทำเอาไปเอาตายจะเ ส, สมอไปแต่จะทําขนาดไหนหรือไม่มีความสมเหตุสมผลอยู่นะนั่นก็พระพุทธเจ้าทรงให้โอวัตสอนอย่างนะเมื่อได้ฟังอวาตของพระบรมศาสดาแล้ว ก็ได้ตั้งอยู่ในโอวาทและได้บรรลุทมเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาไม่นานองค์ที่แปดสิบสี่องที่แปดสิบสี่ชื่อว่าท่านนีตะนีตะเทระก็เป็นลูกลานจาวสาวัถีอีกเทศุที่มาบวชนั้นไม่ได้มาบวช ด, ด้วยศรัทธาแต่มาบวช ด, ด้วย ปรารถนาความสบายนะฮะไอ้ข้อปลาโลกก็มีว่าพระสมณาศาักยบุตรทั้งหลายเนี่ยเรียบร้อยมีศีลมีธรมรมดีแต่นี่ไม่ได้ปลาโลกด้วยก่อนต่างปราโลกว่าดีใช้ได้แล้วก็ที่อยู่เฟนาสนะหน้ารึ่นรมสุขสบายอาหารการบริโภค ข, ของขบฉัน ก็อุดมสมบูรณ์ประนีตก็คิดว่าถ้าเราไปบวช ด, ด้วยไปบวชอยู่ด้วยคงจะสบายดีเหมือนกับท่านเหล่านี้ก็ไปบวชเพราะเหตุมุ่งความสบายเพราะว่าบวดมุ่งความสบายเนี่ยสมัยก่อนบวชแล้วต้องทำกรรมฐ า, านตัวก็ยอมรับธรรมเนียมเขาไปก็นึกว่าคงไม่มีอะไรแะครับคือมองด้วยตาก็ว่ามันไม่เห็นมีอะไรไม่งานสบาย มาฐานใ่งานสบายงานอยู่เฉยๆงานไม่ต้องออกแรงอะไรเลยแค่ทั้งจะกับพริบตายยังไม่ต้องกระพริบทีนี้ไปอย่างนี้าาก็ประกดอยู่สามวันบททำอยู่ได้สามวันมันผิดคาดหมดเลยที่ตัวคิดว่าสุขสบายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแแล้วมันกลายเป็นเรื่องยาขมมอใหญ่ พอละมาทรล ก, กรรมแห้งแรงเสียจริงๆก็คิดว่าเอ๊ะทำไงจะสบายโดยไม่ต้องศึกบอกจะทำกรรมฐานไม่สบายก็ก็ไม่ต้องทำก็ทิ้งกรรมฐานเลยไม่ทําแต่ไม่ได้ฝึกนะแล้วก็ไม่ได้บอกใครว่าทิ้งทีนี้คนเราเนี่ยถ้าลองอยู่หลีกเล่นแล้วไม่ทำกรรมฐานเอากรรมฐานเป็นเครื่องทดแทนเนี่ย อยู่ไปได้ไม่นานนะครับมันจะไอไอนิวนมาสั่งสมสั่งสมมากขึ้นในคืนมันก็เกิดพฤติกรรมที่มันเป็นผลสะท้อนของความรู้สึกนึกคิดของนิวรน์นั้นพฤติกรรมก็ออกมาอย่างนี้หนึ่งฉันมากสองคลุปชอบเข้าสังคมคลุกคลีด้วยหมูด้วยกันนะสามพูดมาก ชอบคุยแล้วก็สี่นอนมากเนี่ยทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าแม้แต่เป็นโสดาบันเนี่ยยังไม่สะอาดที่จะบรรลุเป็นพระสกิตาคามีได้ถ้าหากว่าชีวิตยังเป็นอย่างนี้เลยออกมาเป็นกฎของสำนักปฏิบัติพยายามจะบอกให้ฉันน้อย ไม่พูดไม่เข้าไปคลุกคลีด้วยการดูก็ดีด้วยการสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยประการใดๆก็ดีแล้วก็นอนนอนมากมันก็เลยเป็นมาตรฐานวัดความเจริญในธรรมของตัวเราเองได้ด้วยนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ตรวจดูปณิสัย ตัวจดูปนิสัยทุก ว, วันวันละสองเวลานะฮะเตรียมรู้เลยทีเดียวว่าเมื่อไรจะไปโปรกใครใครจะเป็นอย่างไรเมือ่อเห็นอุปนิสัยของท่านนีตตาองค์นี้ในเวลานี้ก็เสด็จมาแสดงธรรมให้โอวาสเมื่อให้โอวาดเสร็จแล้วอาการให้อวาดนี้ ถ้าเป็นสังคมบุติชนก็เหมือนการมาส่อว่าการมาด่าว่าอะไรทํานองอย่างนั้นแหละนะครับแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําอย่างนี้แต่ว่าการที่ท่านไม่ได้ทำอย่างนี้ทําให้เกิดผลในทางความสลดใจละอายใจสูงมากกว่าก็ทรงทําด้วยอาการเช่นนี้ความสลดใจก็เกิดขึ้นแก่ท่านนีต่าเพราะว่าที่พระผู้มีภระภาทรงตรัสกลว่าคนโงเ่เขา มัวแต่นอนหลับตลอดทั้งคืนและคลุกคลีอยู่ในหมู่ชนตลอดวันยังคำ่ำเมื่อไรจกทาที่สุดทุกได้หล่ะนี่ก็เหมือนเป็นคำต่อว่าก็พอคำพูดนี้แหละท่านจริงได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ไปจากนั้นองค์ที่แปดสิบห้าชื่อว่าท่านสุนาคะท่านสุนาคะนี้ เป็นสาขายเก่าของพระสารีบุตรเทละในสมัยที่ยังไม่ได้บวชแล้วก็เกิดหมู่บ้านเดียวกันนะนาลักกาคำในแควนมคต์จนกระทั่งพระสารีบุตรเนี่ยไปบวชใจบวชแล้วก็วันหนึ่งก็รละลึกถึงท่านพระสาลีบุตรเพื่อนเก่าก็ไปหาพระสารีบุตรเทศในฟัง่งในขณะที่พระสารีบุตรเทศจบนั่นแหละ ท่านสุนาคะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็บวชมาอยู่กับพระเพื่อนนี่นก็นับว่าเก่งนะบวชปุ๊บได้เป็นเพื่อ น, อ, นอัครส า, า ว, วกเลยเส้นใหญ่มากเหมือนอย่างพวกรุ่นเราบางคนนะ่ะหมอแม้พอบวชปุ๊บก็เป็นเพื่อนหลัคาลาศ์ได้เลยพราะคบกันมานานที่จะบวชเดินมรรบาส <c oughs> มาเก่ง <c oughs> บวชปุ๊บเนี่เป็นเพื่อนตางขลุนได้เลยเลยพราะเป็นอยู่แล้วคบกันมานานเมื่อบวชก็เป็นอราหันต์ได้ไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีเพื่อนดีนี่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนทั้งโดยธรรมด้วยแล้วก็เพื่อนทั้งโดยความคบหาแต่เดิมด้วยต่อไปอีกรูปหนึ่งครับแปดสิบกชื่อว่าพระนาคิตะพระนาคิตะเป็น เจ้าสากยะอีกพระองค์หนึ่งมาจากกรุงกบิลพัทนะครับ เ, เหตุที่มาบวชเนี่ยเพราะว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่ที่นั้นและไปสู่ที่นั้นคือไปเสด็จไปกรุงกบิลพัทและได้ทรงแสดงธรรมะหลายเรื่องตามาการตามเวลาที่แตกต่างกัน แล้วก็ในครั้งที่มีผลแก่ท่านผู้นี้ก็คือได้ทรงแสดงมัทุปินทิกาสูตรเครื่องอยู่ในมัชฌิมในกายแปลว่าประสูที่เปรียบเหมือนด้วยขนมหวานหวานเนหมายถึงฟังแล้วก็ชื่นใจแก่พระอริยแต่ปุถุชนนั้นก็ไม่หวานนะข ม, มเรื่องธรรมะชั้นสูงปินทิกาแปลว่าก้อนหรือทิ้นมัทุก็คือหวาน เมื่อท่านนาคิตาได้ฟังสูตรนี้เกิดความเลื่อมใสแล้วเป็นความเลื่อมใสถึงขั้นบวชก็ได้ออกบวชแล้วก็จเจริญวิปัสนาบรรลุปเป็นปลาลหลันไปโดยไม่ยากไปโดยง่าย ง, ายงายเงียบยด้วยนะไม่มีเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าจะต้องไปแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนอย่างผู้อื่น ก็ผ่านไปกนแล้วกันมีมีคาถาของท่านหน่อยหนึ่งที่เห็นว่าเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าพระอริยเนี่ยไม่มีภายนอกพระพุทธศาสนานี่เหมือนเป็นของเหมือนเป็นของหวงความจริงไม่ได้หวงเหมือนของจริงแสดงของจริงที่ไม่ใช่กล่าวด้วยความหวงเพราะว่าเรื่องคนบอกว่าคนพบ ธรรมะเองคนพบหลักวิปัสนาเองแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีรอกว่าคนพบเอง <c oughs> เรื่องวิธีปฏิบัติซึ่งเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจา้าได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าวิธีนี้นะใครอื่นนอกจากพระพุทธเจา้าจะพบเองไม่ได้ท่านนาคิตะได้กล่าวยกย่องพระพุทธศาสนาในแง่นี้ว่าในลัทธิแห่งเดลถีภายนอกพระศาสนานี้ ย่อมไม่มีทางไปสู่นิพพานเหมือน mm hmm. อริยะอัดถังกิกรรมนี้เลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นบรมครูทรงคร่ำสอนภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองเหมือนดังทรงแสดงผลมาขามป้อมในฝ่าพระหัตถานั้นหมายถึงความชัดเจนของธรรมะอัน mm hmm. นี้ก็ยืนยันว่า ทางที่จะไปสู่นิพพานหรืออริยะไม่มีเพราะนั้นอริยะและนิพพานภายนอกจึงมีไม่ได้องค์ที่แปดสิบเจ็ดพระประวิธาเทระเป็นรามชาวเมืองมค อ, อท่านผู้นะี้ได้บวชเป็นปริพาชคมาก่อนอันนี้ก็น่าศึกษา ว, ว่าพวกที่เป็นนักบวชมาก่อนที่จะมา บทในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่เยอะอมีใครบ้างเราจะทำบทสรุปในชั้นหลังซึ่งก็คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้จะแล้วแหละคนที่บวชมาก่อนเนี่ยความจริงไม่ว่าจะบวชเป็นปริภาโชคหรือบวชในพระพุทธศาสนาแบบบวชตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลยทีเดียวหรือจิตใจฝักใฝ่เนี่ยเป็นพวกที่มีบา ร, รมีทางเนคขมมะส่วนจะมีบา ร, รมีทางเนคขมมะ อาจจะเฉพาะสายมิจฉาทิฏฐิหรือสายในพระพุทธศาสนาหรือทั้งสองอย่างอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันในแต่ละคนท่านผู้นี้เมื่อบวชเป็นปริภาชกภายนอกพุทธศาสนาอยู่ก็มาได้ยินว่าอุปติสาะกะโกริตะเนี่ยได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็คิดว่า คนที่มีภูมิปัญญาสูงอย่างบุคคลทั้งสองท่านนี้ถ้าลองได้บวชในธรรมวินัยใดแล้วก็น่าเชื่อถือเราควรให้ความสนใจก็จึงไปขอไปเข้าไปฟังธรรมเข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นสมจริงสมจังว่าเป็นของดีแน่ จึงบวชในที่นั้นทีเดียวบวชแล้วก็ออกปฏิบัติธรรมก็บรรลุเป็นพระหลานไม่นานเนี่ยในอดีตชาติก็เคยบวชเป็นดาบวมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนนะี่ยบารมีทางนี้มีมาเยอะองค์ที่แปดสิบแปดท่านอัจฉุินะเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถี แต่เดิมเนี่ยสนิทสนมกับพวกนิโครนก็เลยไปบวชเป็นนิโครนตั้งแต่อายุอย่างน้อยนี่เขาเรียกว่าบวชตามอิทธิพลของศาสนานิโครนที่ที่แพร่หลายอยู่ในแคว้นโกศลสมัยนั้นก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้าไปไปบวชเป็นนิโครนตั้งแต่อายุอย่างน้อยพอคิดว่าการบวชอย่างนี้จะบรรลุนี่ก็เป็นอุปนิสัยของผู้ที่ใฝ่ความหลุดพ้นนะครับทางไหนที่เข้าใจได้ก่อนก็บวชไปก่อน บวชแล้วก็ก็ยังไม่ได้ไปรู้อะไรนะทวนี้ก็ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาอีกทีหนึงนั้นก็เกิดขึ้นจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำยมกปริหารที่เราไดไ้รู้เรื่องราวกันดีแล้วเนี่ยนะครับก็เลื่อมใสไอ้บางพวกที่พ่ายแพ้ก็ถึงกัหลบลี้หนีหายไปพวกที่เลื่อมใสก็ทิ้งรัฐที่เดิมมาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาก็มาก ก็มาบวชแล้วก็มรรู้เป็นปลาหลานได้ไมย่ยากองที่แปดสิบเก้าท่านเทท่านทาเวสะพะเป็นโอรสของพระเจ้ามนพระสิกะนี่มันจำเป็นต้องจดแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นไกลนะอยู่ที่ไหนต้องไปคนอีกกี่ในนี้ก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปสืบคงจะเป็นประเด็นที่แยบยลมากทีเดียวอ่าก็เนื่องจากว่าตัวเนี่เป็นลูกของพระราชา อสันนิษฐานว่าจะอยู่ในแคว้นโกศลนั่นแหละแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติจากเสด็จพ่อตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นพระราชาผู้เยาวอันนี้ก็พูดกันว่าผู้ใดพระราชาใดที่ครองราชตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยเป็นพวกที่มีบุญมากนะฮะที่ครองตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยอย่าง หลายองค์แม้แต่อินเดียก็มีอย่างหักบาก็สมัยอายุอย่างน้อยราชการที่ห้าก็น้อยราชการที่เก้าก็น้อยอาราชการที่เก้านี่คลองราดห้าสิบแปลใช่ไหมห้าสิบราษาแล้วแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่องค์นะคลองราดเกินการจนาวิเศษปีองลองเดาที่ไคร น่าจะให้ จ, จัดพิธีดูมอนจะพระเจ้าปิมพีสาร 52,000 ข้อครองราชตั้งแต่อายุน้อยเมื่อครองราชตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยก็ครองราชมาจนทั้งถึงวัยชราก็เรียกว่าจนแก่ตั้งแต่เด็กจนแก่ในวันหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปฟังธรรมะก็เลื่อมใส แล้วเป็นความเริ่มสายที่ถึงขั้นคิดจะบวชสละลาสออกบวชสมัยก่อนนี่สังเกตดูหลายองนะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนครองโดยมากก็เมืองเล็กเมืองน้อย อ, อินเดียเขาอย่างนั้นประราชาจริงเยอะแล้วก็สละราชสมบัติออกบวชเนี่ยก็มีมากงอง ต, ต่อไปก็จะมีอีก เ, ออเมื่อบวชแล้วก็บำเพ็ญวิปัสนา บรรลุเป็นพระหลานโดยไม่นานเลยอันนี้ในประวัติก็ไว้ไม่มีอะไรโลดโผเนเพียงแต่เพียงว่าหน้าเลื่อมใสตรงที่ว่าเป็นเป็นผู้คนที่เรียกว่าเมื่อสมัยยังหนุ่มก็ครองบ้านครองเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อชาราก็ออกบวทแล้วบรรลุเป็นพระหลานได้ด้วยชื่อท่านจึงเรียกว่า เทวสภานะออกเสียงว่าเทวสภาแปลว่าเทวดาผู้ประเสริฐองค์ที่เก้าสิบท่านสามมิทัตตะเป็นลูกพราหมณ์ชาวเมืองราชเกรือก็เล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยไปวัดวัดก็คือวัดเวฬุวันพร้อมด้วยอุบาสกไปนานมากก็ไปเนี่ยไปเพราะว่า ได้ยินิติสัพพระพุทธเจ้าที่เขาเล่าหรือพูดถึงกันในในเมืองนอกเมืองตอนนั้นก็เลยอยากจะไปฟังธรรมด้วยหูงตัวเองแล้วก็ได้ไปฟังธรรมเกิดศรัทธาอย่างท่วมทน้นแล้วก็สลดใจในสงสารนะก็คิดว่าเราควรจะบวชแล้วก็ออกบวชแต่พอบวชเข้ามาแล้วปรากฏว่ากิเลสครอบงาท่านคือความเกียดคร้าน ความขี้เกียจท่านก็กล่าวเป็นเชิงเหมือนแก้ตัวเพราะว่ายานยังอ่อนอยู่เลยขี้เกียจยานอ่อนในหมายถึงว่ายานที่เป็นบริหารลิกะปัญญาปัญญานในการบริหารธรรมะการปฏิบัติธรร ม, รมะระวังนั้นไม่ใช่ยานที่เป็นสหาชาติติกะปัญญาปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอย่างนั้นแข็งอยู่แล้วพระพุทธเจ้าถึงให้อาหา่าน ในการปฏิบัติธรรมคือให้กำลังใจเป็นธรรมะให้กำลังใจในที่สุดก็บรรลุธรรมโดยหลังจากนั้นไม่นาน เ, าเราดูคำที่พุทธเจ้ า, าในนี้ไม่ได้บอกพุทธเจ้าสอนว่ายังไงนะแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็บอกแก่ เพื่อนภิกษุทั้งหลายที่มาถามว่าเวลานี้ท่านบรรลุอุตริมรุษธรรมชั้นสูงแล้วหรือท่านก็บอกว่าเบญจขันเรากำหนดรู้แล้วตัดรากขาดแล้วตั้งอยู่คําว่าตัดรากขาดแล้วตั้งอยู่นหมายถึงมันเหมือนกับต้นไม้ที่ตัดรากหรือถ้าอยี๋ยนี้ก็เห็นจะเทียบเหมือนกับฟันที่รักษาด้วยการด้วยการตัดรากนะฮะรักษารากฟันแหละก็เหลือแต่ตัวฟันร่างของพระหลานไม่มีเหตุปัจจัยที่เป็นมูล อยู่เหลือแล้วมีแต่เบญจขันธ์ปรากฏในฐานะเหมือนเป็นฟันที่รักษารากแล้วฉะนั้นคือบอกว่าสงสารสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีองค์ถัดไปครับท่านปริปุกณกะท่านปริปุกณกะนั้นเป็นเชื้อเจ้าสากยะและเป็นคนที่มีบุญมากอง์หนึ่งแต่ที่วิเศษก็คือว่าเป็นผู้ที่พิถีพิถันในเรื่อง การกินอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินเป็นผู้ที่ชอบให้จัดสำรับอาหารเนี่ยสำรับใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าสำรับาลายชิน้นจีนนางสุสีด้เหานะฮะโอว่าอาหารจัดทีเป็นลอยๆชนิดตักทีละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยทีละครึ่งช้อนครึ่งช้อนใหย้ยิมแหละ แล้วก็มีอาหารบางชนิดที่ยังหลงเหลือตกทอดมาว่า น, นี่เป็นอาหารของพระนางทูสีชายเฮาคือเอาปลาทั้งตัวมาไม่ต้องทุบหัวนะเอามาขอดเก็ดแล้วก็บั้งบั้งบงบังบั้ ง, ง, ง, งเป็นเกดเรามีลักษณะเป็นเกดตแล้วก็จุ่มลงไปในน้ํามันกําลังร้อนๆ น, นะกินแล้วไปถวัดได้ เออก็นี่เขาว่าก็จริงนี้ก็ว่าทั้งคู่เลยท่านปริปุณกานีอาหารของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าสตารดสตาแปลว่าร้อยลดก็แปล ว, ว่ารดเป็นเป็นเขาเรียกเป็นอนเนกภาษาพูดเท่านั้นอัตถัตฐานบอกกันจริงๆน้ำหมายถึงจัดเทียมเพียบเต็มทุกอย่างให้ท่านปริปุณกานีเลือกตักสวยอ่ง ว่าจะสะว่วยอันไหนมากน้อยยังไงแล้วแต่อาหารร้อยลดร้อยอย่า ง, ราารางปรุงอย่างดีและเครื่องปรุงบางอย่างที่ทําให้เป็นร้อยได้จริงๆได้ก็ทําทอย่างเช่นน้ํามันงาอะไรต่ออะไรที่หุงเป็นลอยๆั้งเนี่ยทําประณีตมากนั้นก็เป็นปกติแม่ครัวคงเยอะแหะคนบริการก็คงเยอะท่านก็บอกว่านี่เป็นบุญของท่านอย่างหนึ่งเหมือนกัน ที่ได้อาหารบริบูรณ์อย่างนี้ไอ้วิบากทางทางเรื่องนี้นะะแหมรู้สึกว่าโอกาสที่จะได้ช่องทางบุญโดยบริโภคเองที่มันยากหน่อยนะใช่ไมไอ้วิบากทางตาดีหูดีอย่างอย่า ง, งมีช่องจะจะต่อบุญต่อกุศลได้ยากแต่ว่ามีอาหารกินเหลือเฟือเนี่ยนะ เน่มันก็จะต่อบุญได้เว้นแต่ว่าเอาไปถวายแบ่งปันผู้อื่นจะมานั่งกินดพืยกําหนดลิ้นหนอลิ้นหนอรถหนอรถหนอ <c oughs> ก็คงเป็นไปได้ลำบากอีกแหล ะ, ะทีนี้ชีวิตก็อยู่เป็นปกติอย่างนี้ต่อมาเนี่ยที่แรกก็รู้ว่าพระพุทเจ้าบวชมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าบวชในท่านอยู่ยังไงสวยยังไงตอนหลังเกิดมารู้นะ ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสวยอาหารตามบีตามได้เสวยพระกายอาหารคละากันมิได้เลือกมิได้หลากหลายอย่างเราก็เกิดความรู้สึกละอายขึ้นว่าบุคคลระดับอดีตพระเจ้ า, จาชายศีสัตต์า ซึ่งมีบุญญาธิการมากกว่าเรายังดำเนินชีวิตอยู่ด้วยอาหารแบบอย่างนี้ซึ่งผิดกับเราซึ่งเป็นภาระเกิดไครก็ามากเหลือเกินอย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกละอายสลดใจนะฮะเป็นความสลดใจอย่างหนึง่งเออเรานี่ก็นี่เราก็เข้าใจด้ลลาบากหน่อยนะแต่ว่าคนที่เคยอย่างนี้เดี๋ยวคนที่เคยอยู่ดีมีสุข แล้วก็อีกคนก็เคยอยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่มาอยู่มามาเห็นเขาเขาอยู่ง่ายๆเขาไม่หยิงเขาไม่ขี้โอดเขาไม่โอ้โอดเขาไม่อพิถีวิถันอะไรจนหน้าเกลียดอะไรนี่นะมันก็เกิดความรู้สึกรู้สึกยอมแก่คนที่สูงกว่านะคืออายนะเป็นลักษณะอายถ้าไปเห็นคนที่เขา มีฐานะต่างกว่าก็อาจจะเกิดความไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้หรือเกิดความรู้สึกอย่างอื่นไปก็เลยคิดว่าเออพระพุทธเจ้าเขาทรงอยู่ได้ทรงอยู่เป็นสุขทรงละความเป็นอยู่อของอุปโภคบริโภคที่เป็นอย่างเรารู้ยิ่งกว่าเราออกบวชแล้วก็ทรงอยู่ได้อย่างนี้แสดงว่าไอ้เรื่องกินนี่มันไม่มีสาระอะไรก็เกิดความคิดพิจารณาอยู่อย่างนี้จึงคิดว่าเออเราน่าจะ ไปสแสวงหาสิ่งนั้นอย่างเช่นพระาศาสดาทรงสแสวงหาบางังจึงออกบทเมื่อได้ออกบทแล้วก็ทรงสอนให้ทำกรรมฐานฝ่ายสมถาก่อนอันนี้วังเกินระบุไว้ทำกายกคตาสถิผมคนเล็บฟันหนังเนื้ออันนี้ก็เห็นได้ ว, ว่าคนที่อยู่อย่างฟุ้งเฟอ้อ ะะอยู่อย่างหลงตัวหลงชีวิตหลงความเป็นอยู่เนี่ยถ้ามากำหนดเห็นว่าผมไม่ใช่เราผมไม่ใช่ของสะอาดกระทั่งฟันกระทั่งอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยก็ตัดความฟุ้งเฟอ้อความเห็นแก่ความเมาในการบริโภคได้จนถึงในที่สุดเนี่ยท่านผู้นี้ก็ได้บรรลุฌาน ได้สำเร็จฌานจากการทำกายคตาสติแล้วก็ได้เอาฌานนั้นไปต่อวิปัสสนากรรมฐานบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ในที่สุดแล้วท่านก็เลยแสดงความประทับใจให้ปรากฏอันหนึ่งว่าสุทาโภธมีรถตั้งร้อยที่เราบริภโภคในวันนี้ก็ไม่เหมือนอมตะที่เราได้บริโภค พระธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้โคดมทรงเห็นซึ่งคำหาประมาณไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้วไอ้ตรงนี้สอดคล้องพุทธพิสัทว์ว่าลดแทงธรรมเนี่ยชนะลดทั้งปวงนะอร่อยกว่าลดทั้งหลายทั้งปวงหมด อร่อยอย่างไรคนได้ลิ้มแล้วก็พูดได้ยากอีกกันแหล้พูดให้คนที่ไม่เคยลิ้มก็เข้าใจได้ยากมันอร่อยจนเรียกว่าลืมกินอาหารเลิกให้ความสําคัญเรื่องอาหารไปได้ทีเดียวต่อไปองค์ที่เก้าสิบสององค์ที่เก้าสิบสอง 92. ชื่อว่าท่านวิเชยะหรือท่านวิชัยเก้าสิบสองท่านวิชัยเป็นชาวเมืองสาวัตถีครับเกิดในสกุลพราหมณ์ หลังจากจบใจเพศแล้วเนื่องจากวก่าเป็นคนสั่งสมบุปนิสัยทางเนค ข, ขามากมาท่งนก็ออกบวชเป็นดาบดแสวงหาความสงบสแสวงหาความรู้ในด้านปฏิบัติเท่าที่จะหาได้ในตอนนั้นต่อไปก็ไม่อยู่ป่าจนกระทั่งได้ฌานได้ฌานอยู่เป็นปกติอในระหว่างนั้นก็ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแลในโลกนี่หมายความว่าไปออกบวชตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางไม่ตรัสรู้บวช ก่อนหน้าพระเจ้านายแค่ไหนไม่ได้บอกตัวเลขไว้แต่ว่าจะต้องเป็นคนที่เลยเรียกว่าเป็นคนรุ่นพี่พระพุทธเจ้าพอได้ขา่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยินอย่างนั้นก็เกิดความเลื่อมใสได้มาเฝ้าและขอฟังธรรมพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังเมื่อแสดงธรรมแล้วก็ขอบวชบวชแล้วก็ไปบปําเพ็ญวิปัสสนา บรรลุเป็นอาหารหันต์ง่ายเลยนะครับพวกที่ได้ฌานมาแล้วนี่เข้าใจเส้นทางนี้ก็ง่ายด้วยแล้วก็บรรลุก็ได้ง่ายด้วยแล้วก็โอกาสที่จะเข้าใจผิดก็ยากด้วยแทนที่จะเข้าใจผิดง่ายไม่นะคือทําไมถึงยากเพราะว่าคนได้ฌานมาแล้วเนี่ยตัวเองรู้ว่าฌานเป็นยังไง ข้ามเลยความต้องการปรารถนาในกิเลสระดับต่ําขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ตัวเองคนได้ฌานเนี่ยก็ย่อมจะมองเห็นอนาคตความรู้สึกเห็นค่าในสิ่งที่สูงขึ้นไปได้ไง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสหลักวิปัสสนาให้ก็รู้เข้าใจสมาทานรับได้และที่ว่าเข้าใจผิดได้ยากเพราะว่าเมื่อพระผู้มีพภาคบอกว่าสิ่งที่จะบอกเนี่ไม่ใช่ฌานก็ไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจฌานว่าเป็นมรรคผลวลิญญาณ นะเนี่ยถึงบอกเข้าใจผิดได้ยากสมมุติว่าเราได้ฌานอีกคนก็ได้ฌานนะแล้วเราก็รู้เขาได้ฌานเขาก็รู้ว่าเราได้ฌานแต่ว่าอีกคนได้ฌานเนี่ยเขาบอกเราว่าไอ้ของฌานที่เราได้เนี่ยนะมันไม่ใช่วิปัสนาหรอกนะวิปัสนานะมีประโยชน์กว่าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้และต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้คนได้ฌานคุยกันชวนกันย่อมเป็นไปได้ง่าย เพาว่าคนได้ฌานอีกคนนะึงเขาแสดงความก้าวล่วงให้เป็นที่ประจักษ์อยู่ก่อนนั้นสิ่งใดที่คนมีภูมิปัญญาเสมอเรายอมรับว่าดีที่ไม่ใช่สิ่งที่เราได้อยู่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้มากโอกาสที่จะผิดนั้นยากเ็มทีมันเหมือนเรื่องเรื่องเรื่องอาลงกรรมฐานเนี่ยนะอ่อ เราก็ได้ยินได้ฟังจากที่ต่างๆเยอะแต่สมมุตรริว่ากรณีเรื่องหนึ่งว่าอ่าสมมุตรริว่าเรานั่งทําสมาธิอย่างอย่างท่านที่ที่ที่านนั่งอยู่นี่ท่านเคยปลาลบออกมาคุยว่านเวลาเรานั่งแล้วมันมีนมอาการเห็นบางทีมันมีอาการมันใจเรามันหลุดไปเห็นตัวเรานั่งเหมือนมองลงมาจากกลางล่างบางทีก็ปวใหญ่แข็งเป็น เป็นพระเหล็กเนี่ยนะทั้งหนักทั้งแข็งบางทีก็ตัวแบนบางทีก็จมลงไปในดินบางทีก็ลอยขึ้นไปข้างบนนี้นะไอ้ตรงนี้แหละแต่คนไม่รูเรื่องอะไรเลยหมายถึงไม่รู้เรื่องหลักปริยัรื่องประสบการณ์เพียงแค่ระดับนี้ก็มานั่งนะเออที่เป็นยานพอเรานั่งแล้วใจมันลอยไปง น, นี้ได้ยานที่หนึ่งแล้วแยกโลยแยกน้ำนะ อะไรเย่านแล้วอธิบายอะไรสารพัดอย่างอื่นเป็นตุเป็นตาบปทีนี้ตรงนี้ถ้ามาเจอผมบอกว่านี้มันแค่ขั้นยังไม่เข้าที่ทำยังไม่เข้าสมาธิยังไม่เข้าที่เท่านั้นเองถ้าเข้าที่และอาการอย่างนี้ไม่มีถ้าทำแล้วยังเป็นอย่างเงี้ยน่ะมันเป็นเรื่องถ้าเป็นความรู้สึกอย่างเราอย่องอย่างนี้เรื่องจุกจิกเรื่องไม่เข้าที่เรื่องนอกโลกมันไม่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรแล้ว ถ้าอย่างนี้เราได้มาต้องการเป็นยี่สิบปีแม้ว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำเวลาไม่เข้าที่มันจะมีอาการต่างๆเนี่นะแต่เรารู้มันไม่ได้มีค่าในทางยานทางอะไรเลยแล้วไม่ใช่วิปัสนาอะไรทั้งสิ้นด้วยอย่าว่าแต่เป็นยานไหนเลยเป็นขั้นหนึ่งของสมาธิที่บางทีเราทำวิปัสนาเป็นอย่างนี้ไปว่ามันเป็นขั้นมันเป็นไอไอภาพขยายของสมาธิในองค์ของวิปัสนาที่พยายามจะทาให้ออกไปนอกเรื่อง ให้เราต้องแก้ไขต่อสู้แหละไม่มีคุณค่าในในการตีราคายาดเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเมื่อเรื่องเนี้ยถ้ามืคนนั้นเขาเขาพูดเป็นตูเป็นตาถ้าไปพูดกับคนไม่มีประสบการณ์เขาก็คุยได้ใช่ไหมคนไม่มีสาระเขาเนี่ยเออจริงแต่ว่าถ้าเรามาคุยกับเราเเราคุยอย่างนี้นะเราผมาเขาเงียบเลยตรงนี้ยังไม่เข้าที่อนะไรอย่เงี้ยนะมันยังงี้ใช่ไหม แล้วต่อไปมันควรจะเป็นยังไงควรจะแก้ไขยังไงวางใจอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงเียก็เขาก็จะเข้าใจนี่พุทธะท่าเราแสดงให้เขาเห็นในทางหลักและในทางประสบการณ์ว่าเรามีประสบการณ์อย่างเขาและดึงเขาเข้ามาหาหลักที่เราเห็นว่าเชื่อได้มากกว่าเขาก็จะฟังได้ง่ายต่อไปนะะท่าน เอระกะองค์ที่93ครับท่านเอระกะนั้นเป็นลูกกุดุมพีชาวเมืองสาวัตถีอ่บาบังเอิญบอกชื่อไว้ด้วยว่าพ่อชื่อว่าสัมภาวนียากุดุมพีก็เป็นคนที่รูปงามแล้วก็ประสบความสําเร็จในทางธุรกิจอย่างยิ่งท่านว่าไว้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทิ้งชัเป็นตั้ง น, นวนว่า เป็นคนที่สำเร็จในกิจทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนที่มีชีวิตที่ล้มเหลวทำอะไรก็ขึ้นหมายความอย่างนั้นและเมื่อเจริญวัยขึ้นก็แต่งงานมีครอบครัว<ม>ก็อยู่<ม>เป็นสุขแล้วครอบครัวดีธุรกิจการงานพ่อแม่ดีด้วยอำนาจของคนที่มีบารมีเนี่ยนะฮะ บ, บารมีก็มาสะ ก, กิด สนใจคําดีมาสะกิดหรือมาเตือนนะนะไอ้สิ่งที่เราสั่งสมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็นมิตรน่ะคอยมาสะกิดเหมือนเพื่อ น, น่ะเอออย่านะประมาทแล้วนะพอแล้วนะอะไรเงี้ยมาบอกเราก็มาสะกิดเตือนเมื่อสะกิดเตือนก็เห็นเลยนะเหมือนเพื่อนเราบอกว่าไม่มีสาระอะไรเนี่ยอยู่ไปก็ตายแก่เหมือนพ่อเหมือนแม่ พ่อแม่เรามีลูกมาเป็นเราเราก็ไปมีลูกก็เลี้ยงเขาไปเลี้ยงเขาอย่างซ้ำๆอย่างพ่อแม่เราเลี้ยงเราเขาก็แก่ไปอีกเนี่ครัก็มองเห็นแล้วมีใครแล้วใครมาเกิดแล้วก็เลี้ยงกันต่อไปอีก<ม>เลี้ยงไปจนจนหลุดพันธะ น, นะเราสมมติกลับมาอีกห้าร้อยกลับมาอีกมาดูอีกก็ไม่รู้วิญ ญ, ญาณที่ไหนมาไว้ลูกมาอยู่ซึมในวงศ์สกุลเราไงมันไม่มีอะไร ที่จะเอาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ภาคภูมิอย่างงูอย่างนี้ได้ก็คือความคิด้เขาเกิดความรู้สึกเป็นไปโดยประการอย่างนี้ก็จึงหมดแรงหมดแรงที่จะทำสิ่งที่มันมีสาระน้อยน ะ, ะ่าแล้วไม่มีแรงทำอะไรละแรงเขาคิดจะไปทำอย่างอื่น คิดจะไปทำอย่างอื่นก็คือการสแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระกว่า น, นี้แน่นอนอนะสิ่งนั้นก็คือการบวชก็ก็มาฟังธรรมะนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมฟังแล้วก็ได้ความเข้าใจพบผลทางจึงได้บวชเมื่อบวชแล้วก็เร่งทำกรรมฐานอพอมาทำกรรมฐานก็จริงเจออุปสรรคภายในแล้วอะไรเป็นกิเลสก่อกวนท่านท่านระบุว่า ผูกความกระสันครอบงำก็ อ, อันนี้ก็เรียกว่าคนเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้แต่ว่าถึงยังไงก็ตามกันนะครับคนเนี่ยเวลาทำคาถาหนุกีกิเลมันต้องโผล่มากวนอาจจะเป็นตัวไหนมากน้อยแค่ไหนนะมันแล้วแต่สำหรับท่านเนี่ยท่านบอกว่ามากวนแต่ ว, ว่ากวนไม่กี่วันนะครับพระพุทธเจ้าได้ทรงให้โอวาดแสดงธรรมให้เกิดความสลดใจซ้ำสอง เนี่สลดใจครั้งใหญ่แต่เราเราจำหลักไว้อันหนึ่งว่าความที่จะเจริญในความดีได้เนี่ยมันต้องมีความสลดใจเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวประคับประคองเป็นตัวชักกลับเป็นตัวนำเข้ามาสู่ล่องทางที่ถูกต้องแล้วความสลดต้องสลดบ่อยๆดีแต่มันจะมีสลดครั้งใหญ่นะ ก็หมายความว่าที่ท่านพูดว่าสลดสลดเนี่ยให้ให้ให้เข้าใจงี้ว่าท่านพูดถึงความสลดเฉพาะหน้าที่นํามารื่งผลอันหนึ่งและท่านจะเล่าตรงนั้นแต่ความสลดระหว่างนั้นนั่นเองบางคนก็อาจจะสลดคาอยู่ในความรู้สึกเนี่ยอยู่เรื่อยเป็นปกติสลดในความแค่สลดอะไรในอะไรเี่เกิดความรู้สึกอยู่อย่างนี้ลึกๆอยู่ในหัวใจเนี่ยไม่พูดก็ไม่มีใครรู้นะฮะ พูดถึงจะเข้าถึงจะรู้แต่จะเข้าใจได้แค่ไหนในกรณีคนอื่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันตัวนี้ดีเรื่องความสลดทำให้ใจมันสงบส ง, งีมก็เมื่อพระพเจ้าทรงโอวาทก็บรรู้เป็นพระอรหันต์ท่านองค์นี้ได้เคยทำบุญสร้างทางไว้สรรบูชาเลยนะว่าสร้างทาง เขาไวาพระพุทธเจ้าทางสมัยก่อนก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเหมาออย่างเดี๋ยวนี้ท่านคิดว่าเออท่านควรจะใช้ อ, อกําลังร่างกายของเราเนี่ยทําอะไรสักอย่างที่เป็นของดีที่สุดก็ไปแพววรวรั่วพระพุทธเจ้ารงสเสด็จไปทางทางไหนเนี่ยควรจ ะ, สะเสร็จมันก็ไปสร้างทางเออกลี่ยทางถางทา ง, ทางแล้วก็สร้างเสร็จแล้วก็ไปติดตามผลงานไปซุ่มดูว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยวิสูสง ทรงสเสด็จไปในทางนี้หรือเปล่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เอาใจกุศลคนดีเหมือนกันตีรู้ว่าคนเนี่ยเขาอยากจะได้เห็นอยากได้บริโภคใช้สอยก็จะทรงสเสด็จไปในทางนั้นบางทีพระที่ไปด้วยไม่รู้ทําไมหมามาตอนนี้ทําไมไม่อธิบายไม่รู้นะวันนี้ก็ไม่รู้ทีหลังเนี่ยคือเหตุผลของพระพุทธเจ้าทําเพื่อสงเคราะห์ ค, คนอื่นให้เขาได้ปีตินี่มีวันหนึ่งเนี่ยคือมามอง เป็นพุเจ้าสพร้อมด้วยประสงค์เสด็จเดินเนี่ยไม่ยืนดาค้างเกิดปีติในนั้นบอกว่ามองจนกระทั่งพระพุทธเจ้าแล้วพร้มพิสุงสเสด็จลับสุดสายตาไปเลยปีติมากกว่าสิ่งที่ตัวเองออกแรงทำเนี่ยมันคุ้มเหนื่อยเป็นการให้ทางแก่บุคคลผู้ให้ทางสะดวกคือพระพุทธเจ้าจึงเป็นอนิสง์ทาให้ชีวิตของท่าน เรียบร้อยไม่มีอุปสรรคอะไรอุปสรรคก็เล็กน้อยอกเิเลสนิดหน่อยที่ว่าเมื่อกี้นะไม่ว่าจะหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวแล้วก็การเข้ามาแสวงหาธรรมก็เรียบร้อยดีทุกอย่างเดี๋ยวดูโอวาดรู้ที่เจ้าในที่ว่าท่านตรัสกับท่านเอร ก, กะนี่ว่ายอย่างไรยังคงคพลิกหายังไม่เจอก๊อ เปิดผ่านไปถึงองค์อื่นก่อนอองค์สุดท้ายของเราวันนี้นะองค์ที่เก้าสิบสี่องค์ที่เก้าสิบสี่ 94, มีชื่อว่าเมตตาชิ mm hmm. ก็เห็นยาแปล ว, ว่าผู้ชนะด้วยเมตตาแล้วมนะั้งก็คงจะหมายถึงชนะศ mm hmm. ึกชนะศัตรูภายนอกภายในด้วยเมตตาเป็นรามชาวเมืองมารามนี้ ได้ออกบวชมาก่อนแล้วบวชเป็นดาเบ็ดไว้เป็นดาบทเพราะเห็นโทษในกามไม่ไม่มีอัจฉศัยในการกรองเรือนบวชจนกระทั่งได้สดับข่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เกิดความศรัทธาว่าเราควรจะได้อะไรที่ประเสริฐยิ่งขึ้นก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนำปัญหาไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคก็เดยทรงพิสาชนาทุกอย่างที่ถามจึงได้ศรัทธาได้ความเลื่อมใสเป็นนั้นมากขอบวช พระพุทธเจ้าโคส่งบวชให้แล้วได้บรรลุเป็นพระหลานโดยรวดเร็วอีกเช่นเดียวกันว่าในบุพกรรมท่านมีเล่าไว้เป็นการพิเศษอันหนึ่งว่าน่ะนะว่าท่านเกิดทันสมัยพระอนุมัศิสีพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสลุแล้วแล้วก็ได้ยังทรงก็ชนชีพอยู่อนนี้เราก็หาตรงนี้เราก็เลยได้นึกได้ว่า ตอนนี้พระเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยถามว่าสังเวชนียสถานมีคนบูชาแล้วหรือยังต้นโพมีคนบูชาแล้วหรือยังที่แสดงธรรมมีคนบูชาแล้วหรือยังตอบว่าบูชาแล้วนะแต่จะทําอะไรแค่ไหนเนี่ยเรายังไม่ได้เจอเรื่องว่าสมายัยพระเจ้าอยู่แล้วคนเหล่านั้นเขาได้ทําอะไรแก่ไหนยังยังไม่มีเรื่องอยังมาเล่าให้ฟังได้ตอนนี้นะแต่สําหรับ ท่านเมตชิในชาตินั้นคือเมื่อได้พบพระอนมัทัศสีพุทธเจ้าต้นไม้ที่เป็นที่ตัสรู้ธรรมของพระอนมาทัศสีซึ่งเรียกต้นโพเหมือนกันเนี่ยนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่จะต้องเป็นไอ้อสตัพรึกนี้เหมือนกันหรอกครับท่านก็รู้ว่าเนี่ยเริ่มสายพระพุทธศาสนานับถือพระเจ้าแล้วก็ไปกราบไหว้ต้นโพแล้วก็ไม่ได้กราบไหว้เท่านั้นได้ก่อแท่น เป็นแท่นบูชาต้นโพอ่ะก็คงจะไม่ได้หมายถึงไปสร้างาเป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นคันปูนล้อมรอบเหมือนอย่างที่เราทำล้อมต้นไม้อย่างที่เห็นนี่กรงเทพนี่แต่หมายถึงทำเป็นแท่นที่ให้คนไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ทาสีสันใช้อย่างเรียบร้อยดี พระพุทธเจ้าท่งรู้เข้าก็ทรงตรัสอนุโมทนาอนุโมทนาในบุญที่ได้ทำเนว่าเป็นสิ่งดีแล้วเพราะว่าทำไว้อย่างนี้นะตัวเองก็ได้บูชาด้วยคนอื่นก็ได้มาบูชาสิ่งที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ที่นี้ก็เห็นจะเป็นที่พุทธกยาเดี๋ยวนี้แล้ว嘛เพาะว่าที่นี้เนะ่ะเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ที่นี้จะเป็นเป็นยอดพันดินเวลาโลกปรากฏในที่ตรงนี้จะมีอภิณิหารเป็นเขียงงดเป็นของแข็งขึ้นเป็นจุดพิเศษเขาถึงเรียกว่าเป็นยอดแห่งผ่นดินถึงว่ายอินเดียเลยมียอดพันดินอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือยอดเขาที่สูงสุดในโลกอยู่ในอินเดียอีกอย่างหนึ่งคือยอด นแผ่นดินที่เป็นสิ่งที่ทําให้คนสูงที่สุดในโลกคนมานั่งตรง น, นี้แล้วกลายเป็นคนสูงที่สุดในโลกคือที่บริเวณอพุทธคยาสูงไปจนกระทั่งสูงถึงนิพานถ้าเป็นซีเนโรนั้นไม่ถึงนิพานเลยควรจะจบแค่นี้ห้าโมงพราะห้าโมงแล้วจะพูดต่อก็ท่าทางยักหนักๆอยูพอสมควรนะ เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าแล้วก็จะหยุดไปตลอดเดือนเมษายนก็จะพบกันอีกครั้งหนึ่งเดือนพฤษภาคม้ดยเรื่องนี้นะเรื่องนี้เลยกลายเป็นเรื่องยังไม่จบเวลานี้ก็ยังไม่